คคกก็อย า, า, มามไม่มีใครรังเกียจเกี่ยวกับต้นดอกไม้ที่มีที่สวยงามและมีกลิ่นหอมด้วยีนี้รูป้างกลางตัวของเราไม่มีใครสามารถจะตกแต่งได้นอกจากกรรมที่ตกแต่งให้เป็นขึ้นมาดังเร า, เราท่านท่านทั้งหลายนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่การตกแต่งด้วยทางศีลธรรมนี่เป็นสิ่งที่เราพอทำได้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 รืที่ตนจะกระ พ, งพึงกระทำว่าอันใดควรอันหนไม่ควรย่อมมีการไขรทวรอยู่เสมอแล้วก็ไม่ค่อยผิดพลาดด้วยทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้ผลโดยสมบูรณ์ทพราหลักขระพุทธศาสนาเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานการครองขีพและความประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจได้โดยลำดับจนถึงขั้นสมบูรณ์ไม่มีแง่แห่งธรรมในแง่ใดที่จะ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 ถึงขั้นพ้นทุก์โดยสิ้นเชิงก็มีเช่นพระรหัน์ท่านเป็นต้นถัดจากนั้นลงมาก็ได้นับผลตามกําลังความสามารถแห่งการปร้พื้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรสงสั่งสอนไว้พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นผู้ทำลายโลกเป็นผู้กดทวงโลกเป็นผู้กีดกันโลกใน